หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวงหลังจากที่จิตลงอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วจึงค่อยถอนขึ้นมาเมื่อท่านกำหนดดูต้นไม้ภูเขากุฏิสารากลับไม่เห็นเลยว่างไปหมด แม้ลืมตาดูก็มองเห็นเป็นร่างๆแล้วว่างไปหมดตามองเห็นวัตถุพอเป็นร่างๆเงาๆส่วนใหญ่ของจิตมันทะลุไปหมดว่างไปหมดจนหน้าอัศจรรย์จากนั้นท่านก็นำเรื่องนี้ไปเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นท่านก็พูดร้องขึ้นทันทียางขึงขังตึงตังว่า เหมาะแล้วได้หลักพยานแล้วได้หลักได้เกณฑ์แล้วอย่างนี้แหละผมเป็นที่ถ้ำสาริกาเป็นอย่างท่านมหาน니ละ่ะเอาเลยได้การจากนั้นท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าถึงความอัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นที่ถ้ำสาริกานครนายกให้ท่านฟัง ภายในห้องบนกุฏิที่วัดหนองผือท่านนำมาเล่าดังนี้ท่านอยู่ถ้ำสาติกาเวลาท่านได้รับความทุกข์นะนี่ละคนเราเวลาจนตรอกจนมุมงจริงๆช่วยตัวเองได้นะปัญญามาเองของท่านก็เหมือนกันท่านเป็นโรคท้องยานี้ก็เคยบำบัดกันได้เป็นระยะระยะไป ท่านว่าแล้วไปอยู่ถ้มสาเิกาก็เป็นยาสมุนไพรที่มีอยู่ตามที่ท่านพักเขาก็บอกแล้วก่อนที่ท่านจะขึ้นไปว่าพระตายสี่องแล้วถ้ำนี้เขาจึงถามว่านี่ท่านจะตายองที่ห้าเหรอเขาบอกท่านไม่ฟังท่านบอกให้เขาพาไปส่งขึ้นถ้ำสาเิกา นี่ท่านจะตายองค์ที่ห้าหรอเขาว่าอย่างนั้นโอ้ยที่ไหนก็ไม่ว่าแหละท่านว่าอย่างนั้นขอไปดูควรอยู่ก็อยู่นั่นฟังสิท่านพูดถ่อมตนของท่านควรอยู่ก็อยู่ควรลงก็ลงให้ไปดูเสียก่อนทางจิตของท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเล่าให้ฟัง ที่ไหนมันไม่ตายนะท่านว่าอย่างนั้นทีเดียวนะถ้ำหรือไม่ถ้ำมันก็ตายทั้งนั้นนี่นะ่ะป่าช้ามีอยู่ทั่วไปนั่นในใจของท่านแต่เวลาพูดออกมาเข้าไปดูเสียก่อนมันควรอยู่ก็อยู่ไม่ควรอยู่ก็ลงเสียท่านว่าอย่างนั้นพอขึ้นไปแล้ว โรคก็กำเริบใหญ่เลยนี่เรานี่จะเป็นองค์ที่ห้าจริงๆหรอท่านก็ว่าอย่างนั้นเอาห้าก็ห้าท่านไม่ได้ถอยเอาห้าก็ห้าว่างั้นเลยเอายาอะไรมาฉันก็ไม่มีน้ำยาเลยแหละสุดท้ายท่านบอกว่ายากำอยู่นี้ป่าเข้าปา่ามันเป็นอะไรเอา เป็นก็เป็นตายก็ตายยาที่กรรมนี้เอามาต้มแล้วปาเข้าป่าเลยทิ้งหมดเข้าไปในถ้ำเลยถ้ำเล็กๆ เ, เราไปดูหมดแหละที่ท่านบอกตรงไหนไปดูทีนี้เวลามันเอาจริงๆมันก็หนักจริงๆหนักก็ฟัด ก, กันเลยทุกขเวทนาเอากันเต็มเหนียว เ, เป็นก็เป็นตายก็ตายเอาสนามรบนี่เป็นประชา้าสนามรบกับความทุกข์ความทรมานกับกิเลสตัณหาที่เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆขึ้นในนั้นฟัดกันในนั้นเลยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายพอได้ที่มันก็พลึบเลยพอลงได้จังหวะแล้วพลึบทันที ดับหมดเลยโลกระธาสว่างจ้าไปหมดเลยไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับสว่างจ้าไปหมดเนยที่เราพูดถึงเรื่องผีใหญ่ที่มันจะมาตีท่านอย่างนั้นแล้วเห็นไหมหละ่ะแบกเหมือนท่อนเหล็กจะมาตีท่านดังที่เขียนในหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นนี่หลักความจริง ที่ทราสายีสิสองท่านได้หลักเกณฑ์ไม่วันไหวตรงนั้นละ่ะทั้งๆ ท, ที่กิเลสมีอยู่นะแต่ว่าหลักธรรมนี้เข้าสู่ใจแล้วไม่วันไหวเลยเชื่อแน่ต่อมรทผลนิพพานกล้าหาญตั้งแต่นั้นมาไปได้หลักเกณฑอันใหญ่หลวงที่ท่าสาได้กาเมื่อท่านได้เล่าถวายท่านอาจารย์มั่งแล้ว ท่านรู้สึกว่าจิตใจพองขึ้นและยิ่งท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าเรื่องของท่านเองดังกล่าวเป็นสักขีพยานอันเป็นเอกด้วยแล้วใจของท่านก็ยิ่งพองขึ้นด้วยความปิติอินดีจากนั้นจึงเร่งภาวนาอย่างเต็มที่ด้วยตั้งใจจะให้ได้ผลอัศจรรย์ดังเดิม ทานภาวนาอย่างหนักอยู่สองสามวันก็ไม่ปรากฏผลว่าจะเป็นเช่นเดิมแต่อย่างใดจึงได้ขึ้นกราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งท่านเลยขนาบเอาเสียอย่างหนักว่ามันจะเป็นบ้านะท่านผมไม่ได้สอนให้คนเป็นบ้ามันเป็นมันก็เป็นหนเดียวเท่านั้น ผมก็เป็นหนเดียวเท่านั้นแหละผมไม่เห็นเป็นบ้านี่มาเป็นบ้าอะไรอีกไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้านี่หนะักมันเป็นแล้วก็ผ่านไปแล้วไปยุ่งกับมันทำไมพิจารณาในหลักปัจจุบันสิมันจะเป็นอะไรก็ให้เป็นขึ้นในหลักปัจจุบันท่านรู้นั้นท่านรู้ในหลักปัจจุบันใช่ไหม นี่ไปคว้าหาที่ไหนอีก